ทำวัดเสร็จวัดชวเช้าเสร็จก็ฟังธรรมกันเนาะฟังไปก็ดูตัวเองไปนะดูดูร่างกายหรือดูจิตใจขณะที่ฟังเนาะเราเอาเราเอา ปัจจุบันนะปัจจุบันนะเป็นสิ่งที่เราได้ตึกรู้นะนะการรู้ตัวหรือว่าการที่เราฝึกจริงๆก็คือฝึกที่เราให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้นะนะเพราะว่าเราหลงนะส่วนใหญ่เราจะหลงไปอดีตหลงไปอนาคตนะหรือบางทีเราก็หลงออกไปนอกตัวนะ หลงออกไปกับสิ่งแวดล้อมข้างๆอันนี้คือการที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนะเราไปเราตัวเราอยู่ที่นี่นะแต่ใจไปอยู่ที่อื่นเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าว่าอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่แปลว่าเข้าไปอยู่ในอารมณ์นะบางทีเวลามันเศร้าเนาะบางคนก็ อยากจะเข้าไปอยู่ในความเศร้านะม่อยากออกจากความเศร้านะหรือเวลาร่างกายไม่สบายนะก็ <s> ไม่ใช่แปลว่าเราเข้าไปอยู่ในความความไม่สบายกายนะนะอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การเข้าไปอยู่ในความไม่สบายกายหรือความไม่สบายใจนะแต่คือเป็นการอยู่แบบรู้นะรู้ว่าปัจจุบันเนี้ย กายไม่สบายก็ดีหรือใจไม่สบายก็ดีมีการรู้ตัวนะมันจะอยู่แบบไม่ได้เข้าไปอยู่แต่รู้นะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกายก็ดีในใจก็ดีนะอันนี้คือเราฝึกที่จะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแบบนี้นะเพราะว่านะถ้าชีวิตของเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะมันก็จะเป็นชีวิตที่ ที่ล่องรอยเนาะเป็นชีวิตที่มันจะเรียกว่าไหลไปตามอารมณ์นะไหลไปกับความคิดไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับสิ่งที่มันกระทบแล้วมันก็พาเราไปนะตากระทบรูป ก, ก็พาใจไหลไปหูกระทบเสียงก็พาใจไหลไปนะจมูกกระทบกลิ่นก็ไหลไปกับกลิ่นนะ ลิ้นก็ไหลไปกับความอร่อยความไม่อร่อยนะกายก็ไหลไปกับความร้อนความหนาวความปวดนะความสบายก็ดีนะใจก็ไหลไปกับความคิดต่างๆนะอารมณ์ต่างๆนะนะมันจะไหลไปเรื่อยนะใจมันจะไหลไปกับสิ่งกระทบนะนะอันนี้เราฝึกที่จะรู้ทันใจ ที่มันไหลไปนะโดยการที่เราให้มีความตั้งใจไว้อยู่กับสิ่งที่ทำนะเรามาฝึกปฏิบัติธรรมก็คือเนะี่ยฝึกที่ให้ใจมันตั้งอยู่กับสิ่งที่ทำนะใจที่มันตั้งมั่นนี่แหละเรียกว่าเป็นสมาธินะสมาธิไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปนั่งสงบนั่งนิ่งๆนั่ง หลับตานะไปอยู่คนเดียวนะสมาธิจริงๆคือใจตั้งมั่นที่จริงก็คล้ายๆเหมือนที่เราเรียนหนังสือเราทางานหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่ใจเราตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เราทำนั่นแหละก็คือสมาธินะสิ่งเดียวกันนะแต่แต่ตัวสมาธิเหล่านั้นทั่เราเอาไปใช้กับการ ความรู้นะความรู้หรือความสําเร็จทางโลกเนาะเราตั้งใจเรียนก็ดีนะตั้งใจทํางานก็ดีก็ได้ได้ความรู้ที่เราจากการเรียนจากการทำเนาะแต่เวลาทํากรรมฐานนะเหมือนอันนี้ถ้าเราทําในรูปแบบอะ่ะมันเหมือนงานข้างนอกอะ่ะมันอาจจะเหมือนไม่ได้อะไรเลย เพราะเราไม่ได้ทำมุ่งเน้นที่ความมาถึงว่าทำให้มันได้งานข้างนอกนะอันนี้เวลาเราปฏิบัติในรูปแบบเนาะบางทีการเดินกลับไปกลับมาเนะี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้ประโยชน์นะยกมือไปยกมือมานะนะลายๆรอบนะเหมือนไม่ได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เราฝึกจริงๆคือฝึกใจฮะ เข้ามาถึงที่ใจเนะี่ยเพราะว่าคนเราเส่วนใหญ่เนะ่ะเวลาทําอะไรซ้ำๆทําอะไรที่มันมันเหมือนไม่ได้เกิดอะไรใหม่ๆเนะี่ยใจมันจะเบื่อใจมันจะไม่ชอบใจมันจะไม่คุ้นเคยเนาะการที่เราฝึกอ่ะบางทีฝึกให้เจอกับสิ่งที่มันไม่ชอบ เจอกับสิ่งที่มันไม่คุ้นเคยเจอกับสิ่งที่มันอึดอัดเนี่ยแหละนะเราจะฝึกว่าที่จะอยู่กับสภาวะแบบนั้นได้อย่างไรเนะี่ยนี่คือการฝึกที่ที่โดนมาถึงใจนะเพราะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่อะ่ะเวลามันเจอเอารมณ์เบื่อเบอื่เบอเซ็งเซ็งนะมันก็อยากจะเปลี่ยนนะเหมือนเราเบื่อนะเราเซ็งแล้วก็ หยิบมือถือขึ้นมาดูนะดูทีวีโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะแล้วนะอนะหรือไม่งั้นก็หาเรื่องคิดนะไม่งั้นแม้แต่เรื่องแต่แม้แต่บางทีมันดูเหมือนมีประโยชน์นะแต่ดูดีๆนะบางทีคือการที่เราอาจจะเบื่อก็ได้นะเช่นหยิบหนังสือมาอ่านนะนะดูฟังเพลงอะไรนะอ่านะ มันก็คือบางทีเราเราเบื่อที่จะอยู่กับตัวเองเราก็เลยหาหาอารมณ์เพื่อมาเปลี่ยนให้เราไม่ต้องทนกับความเบื่อนะเพราะจะจริงความทุกข์จริงๆนะความหมายมันคือว่ามันไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะนั้นได้นะทุกข์นะทุกข์ไม่ใช่แปลว่าต้องแค่เจ็บปวดเมื่อยเท่านั้นนะ แต่ทุกคือว่ามันไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาวะนั้นได้มันคือทุกมันก็เลยดิ้นรนที่จะออกจากทุกนะแต่มันก็เป็นการดิ้นรนโดยการใช้อารมณ์อื่นเพื่อจะหนีออกจากทุกเนาะนั้นเราจะเปลี่ยนท่าทีจากการที่เราจะหนีทุกนะออกจากทุกด้วยการไปทำอย่างอื่นเนาะ เราจะเปลี่ยนท่าทีโดยการกลับมาไม่หนีทุกนะแต่ดูความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนะบางทีมันอาจจะมีความง่วงนอนมีความเบือ่อมีความเมื่อยมีอะไรต่างๆนะเราลองฝึกที่จะอยู่กับสภาวะให้ได้นะให้รู้ว่ามันมีสภาวะนั้นอยู่แหละ แต่จิตจะมีเครื่องอยู่ได้แบบไหนน่ยเราก็เนี่ยอาศัยเนี่ยแหละนะอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะอาศัยกรรมฐานที่เราทนะําเนี่ยให้เหมือนเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเป็นเครื่องอยู่แต่ความเบื่อความง่วงจะมีมีอยู่ก็เรื่องของมันนะไม่ใช่เรื่องของเราอ่าบางทีจะมาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเหมือนกับเรือนะ เรือที่ลอยหรือแล่นไปในนะแม่น้ําหรือในทะเลก็แล้วแต่นะเนาะเรือก็อันหนึง่งนะน้ําก็อันหนึง่งนะสติก็อันหนึ่งนะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ดีมันก็อันหนึง่งนะง่วงมันก็เป็นเรื่องของน้ํานะคิดก็เป็นเรื่องของน้ํา แต่สติเนะี่ยเป็นเรื่องของเรือนะทำอย่างไรเราถึงจะนะเป็นเรือที่อยู่เหนือเหนือน้ําได้บางทีมันมีลมแรงบางทีมันมีพายุนะมันก็อาจจะประคองยากนะแต่ถ้าเราเก่งพอนะเราก็สามารถที่จะประคองให้มันอยู่เหนือได้เนะี่ยการยกจิต ให้เหนือจากอารมณ์เกินแ บ, บนั้นนะเหนือไม่ใช่แปลว่ามันมันไกลลิบ ร, รับนะแต่จริงมันคือพ้นจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นได้นะไม่ได้แปลว่าเราต้องหนีทุกนะแต่การพ้นทุกเนี่ยคือมันมีความทุกนะหรืออยู่กับความทุกขอย่างไม่ทุกนะไม่ใช่แปลว่าการที่เรานั่งนะ เราพ้นทุกข์คือต้องนั่งให้มันมันหายเมื่เนะต้องเอาชนะความทุกข์ดยการที่ทำให้มันไม่ไม่เจ็บแล้วไม่ทุกข์แล้วแบบนี้เนาะหรืออารมณ์ก็ดีนะไม่ใช่แปลว่าเราต้องพยายามที่จะไปไปทำให้อารมณ์นั้นมันหายนะหมดจดไม่คิดอีกแล้วนะไม่ไม่จำเป็นนะ เพียงแค่ว่าเราฝึกที่จะมีสติที่จะอยู่เหนือเขาให้ได้นะมีสติที่จะรู้นะเขาจะเกิดขึ้นก็เรื่องของเขานะเราก็ฝึกที่จะรู้ตัวนะในสภาวะที่มันเกิดขึ้นให้มันได้ น, ะนั้นเนี่ยเราอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะเป็นเครื่องเป็นเครื่องอยู่นะแต่ไม่ใช่เข้าไปอยู่ในกายที่เคลื่อนไหวนะ คืออยากเข้าไปเอาใจเอาใจไปอยู่ที่ที่มือที่เท้าที่ลมอะไรนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการเอาใจเข้าไปอยู่นะไม่ใช่เป็นการเอาใจเข้าไปรู้นะแต่มันเหมือนแค่พอมันเคลื่อนเนะี่ยมันรู้นะ การปฏิบัติไม่ใช่ไปว่าเราเอาเอาใจไปไว้ที่ใดที่หนึ่งนะถ้าเราไปเอาใจไปไว้นะมันก็จะเป็นเหมือนใจก็จะเป็นตัวตนตัวตนขึ้นมาตัวตนที่ถูกถูกจัดวางนะในที่นั่นที่นี่เนาะนะที่จริงการ รู้สึกตัวจริงๆเนะี่ยมันบางทีเราไม่ต้องไปหาว่าใจเราอยู่ที่ไหนนะบางทีนักปฏิบัติใหม่ๆบางทีจะตรงเลยต้องเอาใจไปไว้ที่ไหนต้องวางใจอย่างไรต้องเอเอขณะที่รู้เนะี่ยใจมันอยู่ที่ไหนนะเนะี่ยบางทีเราก็จะเกิดความดังเดสงสัยนะกลัวไม่ดีกลัวไม่ถูกนะแต่จริงอย่างอย่างตอนแรกสมมติเราเรารู้สึก รู้สึกกายที่นั่งอยู่หรือรู้สึกมือที่ขยับไปเนยะเราสามารถหาได้ไหมว่าใจเราอยู่ตรงไหนบางทีไม่ต้องหาก็ได้นะแต่เอาแค่ว่ามันรู้อยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันกายมันอยู่ในสภาวะอะไรเนะี่ยก็ใช้ได้แล้วนะ คือไม่ต้องไปหาที่ตั้งของใจหมายถึงว่าแต่ใจอ่ะให้มันเป็นเพียงแค่หน้าที่ระลึกรู้นะระลึกรู้ก็พอละ ว, ว่าเนะนี้ยตอนนี้มันรู้สึกตัวอยู่นะใช้ได้ละมันไม่ต้องไปเวลาที่เรารู้ตัวเนี่ยไม่ต้องไปอย่าเอาใจไปอยู่ที่มือที่ขานะ อย่าส่งใจไปอยู่ที่ไหนเพราะเวลาส่งใจไปอยู่ที่ใดเนี่ยถือว่าถือว่ามันใจมันออกจากฐานแล้วนะอืหลวงปู่ดูลนะ่ะท่านก็เลยมีคำว่าจิตที่ส่งออกนอกเนี่ะมันเป็นทุกข์จิตที่ส่งออกนอกไม่ใช่ว่าส่งออกไปแค่นอกนอกตัวนะที่จริงส่งเข้าไปในตัวก็เป็นก็คือส่งออกนอกนะ คือมันไม่ได้อยู่ที่ฐานที่สภาวะที่ปกตินะส่งจิตออกไปอ่าออกไปสนใจรอบตัวก็ดีส่งจิตออกไปเพ่งไว้ที่ที่กรรมฐานแบบเพ่งเข้าไปอยู่ก็ดีนะอันนี้คือจิตส่งออกนอกนะเนี่ยจิตที่ส่งออกนอกนั่นแหละนะมันเป็นเหตุของความทุกข์นะ เป็นเหตุของความทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทันเรนื่องนี้มันจะเผลอส่งใจไปที่นั่นที่นี่เรื่อยเลยแม้แต่เราปฏิบัติธรรมก็จะเผลอส่งใจเข้าไปเพ่งนะเพ่งในอารมณ์นะแต่จริงใจให้ทำหน้าที่เพียงแค่ระลึกรู้นะรู้ในสิ่งที่ทำแค่นั่นแหละนะมันเป็นวิญญาณธาตุนะนะเป็นในขันนะคือวิญญาณ วิญญาณคือการรับรู้นะธาตุที่รู้เนะี่ยคือธาตุที่เป็นใจนะเราปลุกวิญญาณธาตุอันเนี้ย น, นะกับการที่เราเคลื่อนไหวนะรู้สึกนะขยับตัวรู้สึกนะวางอยู่รู้สึกนะมันอาจจะมีความชัดในตรงตำแหน่งที่ขยับบ้างที่กระทบบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าเราส่งใจไปหยุดที่ตรงนั้นนะ เพราะว่าถ้าส่งใจไปก็ผิดแล้วนะให้ดูถันตอเนี้ยหละเราก็จะเห็นนั่นแหละเวลาเราเราก็จะเห็นเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วพอบางทีใจมันเผล่นะใจเผลนะ่น่ะมีสองลักษณะนะเผล อ, อย่างหนึ่งคือเผล่เข้าไปเพ่งเผล อ, อย่างนึงก็คือเผล่เพินออกไป อย่างที่ว่าเน่ะบางทีถ้าเราตั้งใจมากเราก็จะเผลอเข้าไปเพ่งนะมันเหมือนบางทีเราเหมือนจะไปคอยดูนะบางทีไปเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าหรือไปรอดูรอดูความคิดนะรอดูเมื่อไหร่มันจะเผลอแต่จริงมันเผลอเข้าไปรอแล้วนะ่นนั่นคือเผลอไปแล้วนะ ม, มัน มันเผลอเข้าไปเพ่งไว้นะ่ะเพราะมันมีความอยากรู้มันมีความอยากดีหรือมันมีความไม่อยากหลงนะเป็นที่ตั้งเป็นเหตุของมันเลยนะนั้นเวลาเราปฏิบนะัติอะต้องรู้ทันสภาวะแบบนี้เรียกว่าเพ่งเข้าไปนะมันตั้งใจมากเกินไปนะ่ะมันส่งใจเข้าไปดูแบบดูแบบจด จะจ้องนะจะจอนะไม่ให้คาดสายตาเนี่ยคือเรียกว่ามันเพ่งเกินไปเนาะต้องรู้ทันนะวิธีแก้ก็เนี่ยพอรู้สึกที่จริงตอนที่มันรู้สึกว่าเพง่งที่จริงถ้ารู้ด้วยสติจริงๆเนี่ยมันก็จะมันก็เหมือนมันก็จะกลับของมันเองนะแต่ถ้าบางคนติดเพ่งมากไปก็เราใช้การขยับตัวช่วย บางทีเราไปเพ่งอยู่มือเราบ้นทีเราขยับตัวให้มันดูดออกมาเราขยับศีรษะเราหายใจนะให้มันเรียกสติกลับมาออกมาจากจากส่วนที่มันเพ่งเข้าไปนะหรือบางทีบางคนเพ่งมากก็ตั้งใจมองรอบตัวเลยนะมองดูต้นไม้มองดูท้องฟ้านะ ส่งจิตออกไปมองแต่แบบมันจะิดเกิดกันไม่ใช่ไปสนใจในในสิ่งที่สายตามันเห็นนะแต่เหมือนรู้สึกรู้สึกตัวว่ามองนะรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังมองนะเวลาเรามองอะไรนะสนใจเราจะเราจะเห็นแต่สิ่งที่เรามองแต่เราไม่เห็นตัวเราว่ามองแต่การมีสติคือเห็นตัวเองนะ เห็นเห็นตัวเห็นกายเนี่ยมันก็ดังมองเห็นกายมันก็ดังนั่งเห็นกายมันก็ดังฟังนะอันนี้คือเราเห็นตัวคือตรงนี้ยแต่ถ้าเราไปเห็นข้างนอกเราก็เห็นอันนี้เห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็นคนเห็นท้องฟ้าอันนั้นสัตว์ทั่วไปเขาก็เห็นนะถ้าตาเขาไม่ได้บอดนะไมไ่มีปัญหาสายตา เขามองไปเขาก็เห็นเหมือนเราแน่แหละแต่เรามีสตินเนี่ยเราเห็นตัวเองมองเห็นเนะี่ยตามันกำลังมองก็มองออกไปรู้สึกตัวในการมองเหมือนกับรู้สึกตัวในการฟังตอนนี้แหละนะออนี่คือการรู้สึกตัวจริงๆก็คือเนะี่ยเรารู้ตัวนะทําอะไรก็รู้ตัวแต่เราเพียงแต่ ไม่ต้องไปพูดว่าเออเรากําลังมองเรากำลังฟังเรากำลังทํานั่นทํานี่นะแต่ทําด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ต้องไปพูดว่าเราทําอะไรนะนะไม่ต้องไปเพิ่มตรงนั้นอันนี้คือถ้ามันเพ่งเกินไปนะก็ก็ขยับหรือว่าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนสายตาเปลี่ยนกิริยาให้มัน ให้มันออกไปข้างนอกบ้างแต่ก็ออกไปแบบรู้ตัวนะว่ารู้สึกในการมองนะแต่ก็อย่าไปตั้งใจเกินไปนะมันก็จะกลายเป็นติดมันก็จะกลายเป็นเพ่งตัวเองมองอีกนะมันก็จะเพ่งเกินไปส่วนหลงอีกแบบหนึ่งนะก็คือนี่แหละไอ้หลงอีกแบบนี้จะหลงบ่อยเหมือนกันนะคือหลงไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกระตุ้นนะกับสิ่งรอบตัวก็ดีนะ ซึ่งที่จริงมันก็ถ้าเราสามารถเห็นตัวหลงแบบนี้ได้บ่อยนะวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีสติดได้บ่อยเหมือนกันนะมีคนเดินผ่านมาอ่ะเราก็สนใจใจแล้วก็ไหลไปมองเขานะเ น, นี่มีเสียงดังเกิดขึ้นมานะเสียงเพลงเสียงเรือเสียงนกร้องก็ดีนะบางทีเราก็หลงไปกับอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยแหละนะ ม, มันก็ไหลไปนะ นกกร้องก็ไหลไปกับความเพลินนะแล้วก็คิดนกอะไรนะดอกไม้ก็ไหลไปกับความสวยดอกอะไรนะเรือเสียงดังมาก็เรือยังไม่มานะแค่ได้ยินเตียงเนี่ยใจเราก็ไปอยู่ที่เขาแล้วนะอันนี้คือใจมันไหลไปเกาะกับอารมณ์นะให้เราดูทันนะใจมันไปแล้วนะ ให้ตัวที่จะเห็นใจได้ชัดคือที่จริงนะตอนที่ใจมันไม่อยู่กับตัวเนี่ยแหละใจมันไปเกาะกับอะไรข้างนอกตัวเนี่ยมันจะเห็นเลยโอ้ใจมันเผลอออกไปเนาะเผลอออกไปนะ่ออปนะอยู่กับดอกไม้เผลอออกไปอยู่กับผู้คนเผลอออกไปอยู่กับเรือเผลอออกไปตรงนี้นหรือเผลออีกอย่างหนึ่งนะบางทีไม่ได้เกิดสิ่งตรงนั้นไม่ได้เกิดใน ดูปรสกลิ่นเสียงข้างนอกเลยนะแต่มันเผลอออกไปที่ความคิดในใจโดยเฉพาะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนะี่ยบางทีเราปรับตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมวันสองวันสามวันเนะี่ยคุ้นเคยนะก็อาจจะความสนใจเรื่องรอบๆตัวก็อาจจะมีบ้างแต่ก็พอมันอยู่จนชินนะเนาะโยมมันก็อาจจะไม่ได้แบบไปคิดไปอะไรมากก็มาละ แต่มันจะทําให้เราผุดตะกอนที่มันที่ใจมันเก็บไว้นะจะปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติต่อเนื่องแบบเนี้ยเยอะๆนะสิ่งที่จะทําให้เราเห็นตัวเองได้บ่อยคือคือตะกอนที่มันเก็บไวนะ้ในใจนี่แหละนะความชอบความไม่ชอบนะ เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเยอะมากนะอวันสองวันที่ผ่านมานี่ก็ดีนะหรือบางทีมันขุดไปคุยตั้งแต่วัยเด็กของเราเลยนะเออวัยเด็กมันมีอะไรที่มันที่มันกระเทือนจิตใจนะมันผุดขึ้นมานผุดขึ้นมาให้เกิดความดีใจเกิดความเสียใจนะมันผุดขึ้นมาให้เราได้เห็น บางครั้งเราเหมือนลืมแล้วนะในชีวิตจริงของเรานะแต่ที่จริงจิตมันยังจําอยู่มันก็ผุดขึ้นมาตอนที่มันไม่มีอารมณ์อื่นมาสนใจนี่นแหละะมันก็ผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นนะ่ะก็ต้องรู้ทันตัวเองบ่อยๆนะนะรู้ทันมันผุดขึ้นมาเออไม่ใช่แปลว่าต้องพยายามข่มเขาไว้นะ อ, อแต่ให้รู้ว่าเ อ, อนะื่นเนี่ เมื่อกี้จิตมันดมงเข้าไปในอารมณ์นั้นเราก็รู้ก็แค่รู้รู้ก็กลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำใหม่นะถ้าเราเดินก็ ก, ก็ดูแลเมื่อกี้มันเผลอไปคิดเนาะเราก็กลับมารู้สึกในการเดินใหม่ยกมือก็เหมือนกันก็ก็กลับมารู้สึกตัวในการยกมือใหม่นะบางทีเราเผลอไป เมื่อกี้นะไม่ต้องไปกังวลนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากคือมันเป็นชีวิตใหม่ของเรานะที่เราสามารถสัมผัสได้จริงๆเนาะไม่ต้องไปเสียดายอดีตนะสัมผัสกับปัจจุบันใหม่ๆของเรานะทุกขณะเลยนะเหมือนยกมือนะเมื่อกี้ลืมตัวไปไม่เป็นไร ถ้ามือมันอยู่ตรงไหนรู้สึกไปเลยนะถ้าเดินอยู่ก็รู้สึกไปเลยนะรู้สึกที่ปัจจุบันไปเลยนะเนี่ยการรู้สึกตัวนะการอยู่กับปัจจุบันจริงนี่คือเรา ส, ร า, สามารถที่จะสัมผัสสภาวะใหม่ๆได้เนะสมอเลยนะบางทีเราไม่ต้องไปไปวิเคราะห์วิจารกับอดีตมากนะ เราไม่ใช่การไปไปวิเคราะห์นะหรือว่าไปหาเหตุผลนะหาความเข้าใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านไปแล้วนะถ้าเราใช้วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ปัญหาของเราจริงคือฝึกนะเจ๊จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้บ่อยๆนะแล้วจิตมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เนะี่มันจะเห็นว่า ความทุกข์มันเกิดเพราะเราดองเข้าไปคิดความทุกข์คือเราดุดเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันจะเห็นเลยว่าความทุกข์เกิดเพราะความคิดคิดปรุงแต่งนะสังขารทํางานนะแต่พอกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยสังขารไม่ทํางานนะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเนี่ยจิตมันก็ไม่ทุกข์ได้ ในตอนนี้เลยนะอืนี่คือถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยจิตก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้นะเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตเนะี่ยถือว่าเป็นเรื่องมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้เลยนะเป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญตอนนี้คือเรารู้สึกตัวในตอนนี้หรือเปล่านะเนี่คือหรือเราหลงไปนะมันเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าแล้วถ้าเราสามารถ อยู่กับปัจจุบันได้บ่อยๆนั่นแหละเราจะเห็นเลยว่าความไม่ทุกข์จริงๆนะก็คือตอนนี้แหละนะเราก็ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะผลทุกข์ในอนาคตนะไม่ใจะจะดอเป็นพระอริยะเจ้าไม่ต้องรอเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องรอเราไม่มีปัญหาชีวิตถึงจะไม่ทุกขนะ์นะนะบางทีเราไปคิดแต่ว่า เพราะร่างกายเรายังป่วยอยู่เพราะปัญหาในที่บ้านที่ทางานยังแก้ไม่ได้เลยนะเราเลยต้องยังเป็นทุกข์อยู่แบบนี้นะแต่ที่จริงชีวิตจริ ง, รงๆไม่ใช่นะปัญหามีอยู่ก็เป็นเรื่องของปัญหาแต่ปัญหาไม่ใช่ความทุกข์นะแต่เมื่อไดที่เราไปยึดหรือไปจมในปัญหาแน่ะแหละมันเป็นทุกข์นะแต่ถ้าเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เนะี่ย จิตก็ไม่เป็นทุกข์แล้วแม้ปัญหายัางรอการกลับไปแก้นะ่ะยังมีอยู่แก้เรื่องนี้ได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะจบหมดสิ้นไปทั้งหมดนะปัญหาก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ความทุกข์ใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะปัญหาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติที่จะรู้ทันได้เนี่ยใจก็ไม่เป็นทุกข์แล้วอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ น่าอัศจรรย์มากนะที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบเรียกว่าต้องไปค้นหาจากข้างนอกเลยนะแต่พีจารณาว่าถ้าเรากลับมารู้สึกตัวได้เนาะเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันไนดะ้จริงๆเนะี่ยเราก็สามารถอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไม่เป็นทุกข์นะเหมือนกับจิตใจนะเหมือนกับ เรือนะที่อยู่ในถ้ำกลางขึ้นลมกระแสน้ําแบบไหนก็ได้นะนะถ้าใจที่ฝึกดีแล้วเนะี่ยมันก็จะทําให้ใจพ้นจากความทุกข์ได้ทุกขณะอันนั้นการการพ้นจากทุกเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องทําให้มันไม่มีทุกนะแต่เราพ้นคือเราอยู่เหนือเขาอยู่เหนือเขา น, นี้คือการปฏิบัติธรรมจริงๆนั้นเราไม่ต้องพยายามต้องดิ้นรนทําให้ให้ความทุกข์ให้อารมณ์ให้ความคิดมันจะต้องดับมันจะต้องหายมันจะต้องไม่มีนะมันจะมีก็แบบเรื่องของมันเลยนะทีจริงนะบางทีก็ถ้าจะพูดกับตัวเองก็คือเรื่องของมันนะเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ถ้าหลงเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเป็นกับเขานะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกเลยเป็นเรื่องเรื่องของมันนะไม่ใช่เราจริงๆเราจะรู้สึกว่าที่จริงเราเป็ น, ปนทุกข์เพราะว่าเราไปยึดไปคิดว่าไอ้ น, นั้นะ่ะมันเป็นเราจริงๆนะแต่ถ้ามีสติขึ้นมาได้เนี่ยมันจะอยู่เหนือนะคำว่าพ้นคือตรงเนี้ยพ้นพ้นจากความทุกข์นะทุกกายก็ดี ทุกใจก็ดีนะเราสามารถที่จะมีสติพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ที่อัศจรรย์มากนะที่ถ้าเราสามารถที่จะฝึกแบบนี้ได้เราฝึกที่จะอยู่นะ่ะกับปัจจุบันได้ไบ่อยๆเนะี่ยเราจะเกิดความมั่นใจได้ว่าเออชีวิตอนาคตนะแม้จะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะแม้จะทุกข์มากขนาดไหนก็แล้วแต่เรามีเครื่องมือนะ่ะ เรามีวิธีการเรามีนะสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะ่ะอย่างที่ทุกน้อยลงหรือทุกสั้นลงนะหรือพ้นจากความทุกได้นะ่ะมันจะเกิดความมั่นใจว่าเออมั่นใจในอนาคตนะวันเราอาจจะป่วยอาจจะจนอาจจะพิการอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ข้างนอกที่เราก็ห้ามไม่ได้นะถ้ามันจะเกิดก็ต้องเกิดแต่เรามีมีใจที่เคยฝึกมาก่อนเนะ่ยมันจะทำให้เราอยู่กับสภาวะ น, นั้นได้นะแต่ถ้าใจไม่เคยฝึกเลยเนะี่ยมันจะอยู่ยากนะอยู่ยากแล้วก็เพราะว่าความทุกข์คือการที่เราติ้นโดนไม่ยอมรับนะอยากจะหนีนะแต่ที่จริงแล้วถ้าเราสามารถอยู่กับทุกข์ได้เนี่ย คือไม่ได้หนีทุกนะแต่สามารถที่จะอยู่เหนือทุกได้เนี่ยคือเราก็ฝึกกันเนาะวันนี้ก็กแรกๆนะนะก็ความง่วงความเบื่อก็อาจจะเข้ามาเยอะหน่อยนะแต่บางคนปฏิบัติต่อเนื่องก็อาจจะสบายๆนะเรื่อยๆนะมันชินแล้วเนาะบางคน เข้าคอร์สบ่อยนะเจอความง่วงเจอความเบื่อเจอความปวดเมื่อยนะหรือชินในการทำแบบนี้นะเป็นติบกว่าชั่วโมงละมันชินแล้วนะก็ก็อาจจะเรื่อยๆนะเรื่อยๆก็เก็บไปนะ เ, เก็บสติไปทีละขณะไปเนาะก็ก็คงอยู่ได้ไม่ยากนะโดยเฉพาะคนเก่าๆนะแต่ถ้าคนใหม่หรือว่าคนที่อาจจะ อ่อนซ้อมนะก็ค่อยๆฝึกไปโยมนะมให้ตั้งใจนะต่อเนื่องสองาวันนะมันร่างกายเราก็ปรับตัวนะจิตใจก็ปรับตัวเนะี่ยวันหลังๆก็จะอยู่ได้สบายมากขึ้นนะถ้าเราตั้งใจฝึกเดี๋ยวมันก็เราก็จะใจจะปรับของมันเองนะจะปรับนะหาตำแหน่งหาแต่ไม่ใช่แปลว่าพยายามหานะแต่ ใจมันจะปรับของมันเองปรับให้อยู่เหนือจากความทุกข์พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรนะกะ็ฝากไว้